เราเป็นจากสราวทั่วไปทีได้ธรรมะมาสอนโลกจะได้มาจากตายจากใจของข้าเขาเลยไม่ดตจิตใจยังมาจากผู้ ห้องอไว้ไดเย็นสงบสงบสว่างไว่งจึงไม่เป็นอัดเนพัดจึัวร้อนยุ่งวานฉะการอิจารณาธรรมะเปิจารณาสตาีใจทั้งสองสองศพสอก แต่ต้มีสัทธาแต่ตัวแต่เป็นธรรมดาแล้วก็ตรงนี้แตกกระายแต่านฐานอยูงเทาเปลใจของเราก็เป็นอย่างไเือกเอกานอก็จะเป่างนันเหือัีวเคลือะแต่มมีการแตกหวเลี่ยนแปนดงนี้การจานาตัร เป็นทางต้องรู้ับรู้เนตลอดตัวสายโลกนะการพิจารณาตัวหลงตัวในโลกนี่โลกนี้อะไเรียกหมดทุกข์ให้มดใหหมดตัวให้ตั้งตาใหยจางเดียวกันนั่นแหละแต่ิจารัาแบนี้มา ประมาณขนาดไหนพอมาสามาจะมองเห็นได้ตาเราสวยตาเราดีตบปุ๋ยแข็งปุยแข็งกันปุ๋ยแข็ข้อเราจมองเห็นได้นั้นใดอย่างบองใจตงนั้น่าหารตัวและยังอมาจัอาหารตัวจะยังอตัวอ้วนไปอีกั้น การที่ราตัวคุณเป็นของตัตว์ที่พวกเรากูดอันหนึ่งมันที่มาตัวกิคือิบัตรในตอนที่เจรนาหรือว่าคือในความคิดความใจในตัวของตัวก่อนทำใหรู้เรื่องของตัวแล้วเดงทีจะไปกอนไปสองไป่นี่ยไปหน้าตัวตัวเองได้ไม่เปสารประโยชน์อะไยังไม่เังหาย การที่ไม่ใจไ่สไปแต่เมื่อประโยชน์หรืดควรดังนั้นควรที่จะเรียนมาเรื่องของสดใหมากเี่จกล้าหรือสาวกความประโยชน์ของท่านความดของท่านแต่วิจิตรฝีความเชี่ยวกรอยะารสอนการโลกทั่วไปในสมัยนั PAL ้น โดยประโยชน์จากผู้รดรับฝากในส่วนต่างเองจะเป็ประโยชน์ผู้ท่าหตนวันในส่วนข้งท่านในใจสัจภาพขกิด่ารเกการตายแทบชในิ่งใใจมีหรือมาเพราะ้าตัวมีคาการเ่็นรักษา่างอย่างไร การพิจรณาทั <spe ak crosstalk> ง้งท่านอกาจัดทังท่านอาในจิตในใจใจทั้งท่านจึงเใจที่บริสุธิ์ม่อะไรที่จะมาปกปิดให้ห่อในใจทั้งพวกเราทนั้งหลายใจที่บริสุทธิ์เป็นักษาสขในบริสุธจากนั้นจึงเป็นเพราะสิ่นีาจึง่าสุจริตสหรับตัวของท่านและโลกทั้งไป ดูไเกตาบตามีไหมที่อความร่มสยังเขียนตในตาฉันกว่าเานั้นึ่งจะายครับนงมไหมมนาูสัมม บางทีในจิตในใจที่นั้นอาจมีสติอันดีาเพราะผลสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ควาพิจารณาเกียวกัังขารสังขเกีวกับกายสันใจความพจารณาศึกษามาจากสี่อการรู้การเหนการเชื่อจากการ ควรอย่างไรเข้าใจก้องควมอย่างไรรู้เมตาอย่อ า, างรก็ใเขาใจเขใจเร า, เ ห, เราเห็นเราเเรารู้คางสต่างๆเห็นปวดหัวใจอก จ, จ, จะหายไปอากใ จ, ใใ จ, จ, ใก จ, ใจที่เคยยลบคการสะใเว็อกดย ีกว่าครับใจของเราเนือตายอยู่เดี๋ยวๆมาแต่ธรรมดานำหวงของใจมันหลงกันได้อย่างง่ายดายต้องพูดถึงพวก่อนขาด่อดพูดถึงอดีตที่ผานมาโดยเวลาหลายสิบปีไม่ไม่ชีวเจางเราก็อาจหลอาจหลกด ระยะวันนี้แต่ตอนท้ามาถึงตอนเย็นเราไปที่ไหนเระคิดอะไรเราคุยกับใทรเราอาจจะหลงลืมการคิดคิดนึกต่างตลอดทุกสัดาห์การคุยเรื่องของทวา ม, มยุ่งหลงมันมีอย่างนั้นเรืง น, นั้นูือยู่องขศึกษาทางอัษ ทำอะรก็คือปฏิบัตทิทางจิทางใจให้ดูยุบหย่อนไปต่างๆในชีวิตจะหน้าจะมีเรื่องใหญ่่วนรักเรียนสายโลกไม่จากจะสงสัยกันหรือไม่อยากจะคลองใจกันเขาตำลาสายโลกเขาดใจแหนเ่ยตำลาสายทำปวดใจมีแหนเ่ยปวดอยู่เสมอ การศึกษาทางสายโลกม า, ากเรากอบไ้วยสวนี้การู้นีก้ออัดทางธรรมเพเรามีควารู้สูงมาแล้วรับครนิย ญ, ญาอย่างนั้นคำนิยาอย่างนี้นบันทิตอย่างนั้นบันทิตอย่างนี้เป็นเรื่องที่ศึกษาสายโลกขั้การศึกษาศึกษาสายครรม ให้ดูใบกระดาษเรือบกวันเทวโลกปวดตัวปวดเห็นปวดเจบจากการดำเนิาของตนมันอยู่ทางศาสนาแั่มันอยู่ทางส า, า, า, งสายโลกมีจิตใจดฉะนั้นตัวเปาท่านอยู่ทางหน้าพอมา จิตใจทั้งท่านอยู่บนนี้เปดคุณของคุณกำลัแรงเขาโยกปากคืออัดอั้มจิตใจทั้งท่านอยู่มือเห็นเป็นจริงในตัวทั้งท่านพบพลาดหมดไปเพราะเรื่องปัญหาไอ้ชาวาทางต่างๆเราต้องล่าสายต่างออกจากจิตจใจของเราหมดเลว ความเกิดความเกิดเกนดักสิ่งหนว่าอะไรจะต้องเกิดในทบต่อไปอกเข้าใจชัดเจนเพราะอย่านี้ชือว่าอะไรคือกะติดต่อให้ามาดูให้เกิดติต่อไปในนี้หรือความต้างรากษาษาให้ต้องจุดใจอาศัยปะปะสามดุคสามเปียยความผลผน คามเชื่อในศาทนาทั้งหมคนเราทำงานในเชื่อเรื่องของศาสนาอย่างที่าตายแล้วเราจะกิดเป็นอะไรเจะเกิดเป็นอย่างนั้นตายแล้วจะมีอะไรที่จะเกิดอีกอย่างนี้เป็นต้นทางศ า, ส, าสนาอว่าเป็นมิคฉาสีพมิจฉาชีอย่างาร้ายแรน้กาสเวลาที่จะ หลุ้นจากอยด่ปัญหาไดบ้านจะเลียนได้ตายเกิดอยู่ในกระแสสงสานี้แนละจะโยนดิ่งลงไปสู่ทางสวดลาลาโมเหน้าเข้าเขามีปูนจุดเสียใจคนจิตที่จว่าตายแล้วูึแจะทำอะไรจะทำกันได้บ้างเพราะคนหน้าเลยมีชานหน้าเหมือนตายแล้วก็ดปดเรื่องของคนใจแค่นั้น หมดเรองทั้ารอะไรม่มีอะไรที่จะปาะอเสริีกแล้ะทอะไรก็มนยันขนไม่ตัวเลยเลยเพราะถึงว่าทำไปแล้วเราตายไปตัหมดปัญา่นนมีเพียงแต่ปมหมายมีเพียงแต่เรื่องเพราะกิดจากคุมมตัว่นั้นเรื่องความที่แต่ตัวตากเรื่อไม่มีในจิตในใจ มีพทีตักวในเรื่องความกลัวต่างนทำหน้าให้ผู้แก่เสียเป็นทางผิ่เสียหายหน้าตาและโเเต๋อเปนอะไรโตยต๋อเป็นอย่างนั้นตรงเหี้ยนันไม่ใช่ตาที่ว่าเป็นที่สุดสคัญตาไม่าถนาจตนลงไปเข้าใจแค่เรือย่างนั้นเป็นทางที่สุดมากที่สุด เก่วตัวเนย้ใครจะปวดอะไรก็หน ik ่ยยอมเสื่อมฟังพาะคา่ความเฉืมันอยู่ในอย่าง้ตายแล้วปูนยตายแล้วเกิดเป็นอะไรเกิด็ขึ้นอย่างหน่อยถังวัดปุ๊บเกิดขอตายแล้วปูวยเดนคืต้องันทางพุทธศาสนาห้านะฮะผู้บกพร่ิบัติขนเอย่างนี้ตายแล้ว ตัเศษเป็นอะไรเศษเป็นอย่างนั้นเศษตัอีเหนเยบตัดเเเตัอย่างนั้นต้นเต้นเตนอยู่อยางนี้าทตัวทดีอะไรจบเียงมาเศษเป็นนอย่างตาหาตี่ไหนใจอยู่แค่นอย่างนั้นจึงทำาตั่วได้อย่าง มีการเรียนรู้ต่ออะไรต่องการสอนในที่นีนน้คืนานำคนเราเึ่งคนจิปัญญาอาหารต่างๆมีจิตมีใจรือละไม้ต่างๆเนาะมนยัจะผูกที่ไหนก็เป็ น, น, นเ น, เ น, เนะ า, นเนเาะเป็นต้เรียนไปลียนจจเป็นล้าาแล้วเนาะเดินมาให้เราเป็นแไหนทีอาชีพ อุบิยเป็นดาเป็นตั้งแต่ดาเปีรษะขาห้าขาหลังบ่าหรืออาจเป็นเศษเมื่อบุตรเศษที่ดาอินทรียมยักได้ทำชัวอาจเกยัหนยรื่ัวจะดร่าายด้เกิดนรกแต่เป็นในศาลอีกทางปัญหสองอย่างนความเชิงความเชิงของนที่มาดูศึกษาและสิ่งจะชั่วอไม่ชั่วจะตาม ใพตั ta, on ้งกาท่านพิจารณาู้เห็นเหตัดมาแล้วมาสอนกับให้ได้จับทางดีทางขั้วทางถูกทางผิดวันเม็ดเพียบ่อย่างไรมันจะเป็นไปเหตุามสูกทามสบายในโลกห่โลกหนึ่งท่านพิจโรณาว่าก็หมดประโยชน์เป็นช้นประโยชน์ขาวประโยชน์ใจที่ ว่ทำสอนสองท่งงาพผู้ใจกล้าคนเนื้นศาสตาจารยฤทธิ์คสมัยนี้ทนสอนไม่หลังอัดแต่หลังแต่ต่างจากไทยหลัง อ, ล ง, ง, งอั น, นทุกๆต่อแตกท่นสอนอยากให้คนรู้คนเข้าใจคนพิจารณาสห็นเป็นงอย่างนั้นเลยสอนเพื่อนอื่สอนแล้เานักส ท่านท่านจ้าที่จ้าเด่นโบกาณที่เขานับถือกันมาสักเพราะท่านดีท่านเด็นต่โสูที่โสดี้ยงพอสมโูรอยู่แล้วในตัวทขาองไม่มีอะไรบกพ่อคนอื่นจะจิตินทางเตี้ยตีขนาดไหนจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่เชื่อเสียแานไม่เชื่ปฏิบัติไม่เช่อตไปจะคง อยู่พยา y ามอยู่เสมอ ย, อมยจอง่ ง, จ ง, ง, งจกเก่ค อ, อ, อ, อ, อยหเจ้าหงตาานาหยุอัามส ขหยนอกเป็นเกิดจากขาดด้วท่านในเรื่อการนั้นทำมือทำาเห็นวินาทีสานจันเร็วจริงจังอยากจะให้คนใส่ใจากคนท่่านติดทางสภ่าเรียนได้ในวิวัาการต่างๆตัสินซ้อนถึงเด็ทางเด็ดสิ่งต่างๆเด็ดภาวนเกี่ยวกันเขาว่าจิตใจจิตใจ อยู่เดือ้น่งวันไปเียนก็ตาย่นี้จัับมันมาจากที่ไหนอะไรทำให้ที่จับหมจับขาดขาดตายอะไรทำให้เราต้งมยโนโจมที่ับหมดจับขาดอะไร้เราองขโมยโดนโจมที่ับหมดจับขาดแทนตา แต่ปิบัตตามขันตอที่ถูกผมมีความุขคามสบายเยียวยาอยู่ในรางกายแข็งแรงโดยอำาสเป็นจองคบอกไว้จะได้เกิดพอใจชาตใจผมีความสุขคาม า, านั้ น, นาเพราะอำนาจบุญวาสนาถูกไหลจากอุยมารทำให้คนคนนน รูปแบบตัวไหนมีรักให้เป็นต้วมีตสงสารเป็นมีค้านสุขในามเป็นอยู่ตามภานารถที่องวัตถุต่างบเหลือชีวิตเหมือนมนไทย์ันวาตาสุดไทยในวัสงสารอย่างไรขาอย่จะเป็นจะเอาให้เป็นปฏสวัตษวัตถุศาสุดทสุขาพการเกิดการ้า สิ่งนี้มาแล้วกยอนี้มาแล้วแต่ข้างหน้าเราจะเอาพรนี้ขลาดี้เป็นศาสร์ศป์องเราจะตั้หนาตั้งาตังปฏิบัติงจะดืจะทกจเ็จะรคาจะเพียนหรือสะดวกอย่างไรเราจะตังใจคิดปฏิบัติในจิตขงเราลกจักรของโลกเลี้ยง้จาก จตใจแล้วตั้ง้าตั้งตาไปคิปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจทุกวันทุกเวลากำหนดที่มีจิเริสมาตราต่างอะไรจิของอะไริตใจสงสจิตจริมาอันนั้นจนตกอไปเลืออกไปเพราะปัญญาตามธรรมเดียวกันต่อใจทุกทีทุกทีทุกท ต่างนาตางตาที eh? ่เจรนาใหญ่และเพริสัยอย่างนี้จะถือว่าเป็นชาสุดท้ายตาแดงทั้งตัวจริงๆต่างนาประตูตัดปุกบการทุกเวลากาหนดทเจรนาไม่หยุดไม่หย่อนคนนั้นเนี่ยจับเพชรไปได้หยุดไปได้เหลอยุติสายเอาจีนเอาจังเราเอาจีนเอาจังแล้วแต่ เันใหันขาทไปเียวันไปอนกันไปลนกันไปกันไป้ยงกันเเวลาจลจะนอนแต่านเป็นพิตาได้เรืเสียนอย่างนั้นดาและเไปโดยา่างกาทำจรงจงแจ้้งารก จะไปในดูอะจะมาตั้งมาให้วจะต่างไปฝาฝันฝืนไปในยอมยุดในยอมหยุดจะไปเหตุผลจร้องจัถทุกาตรับบาปขนาดไหนตั้งใจจะทิดคิดปฏิบัติจะสร้างใจถึงทุกชาติแ เกล็ดสลับไปล้ใ so, ห้จิตใจสูญสูบผ่านเาไปได้ผ่าหักให้เห็นพุทธนเกล็สลับไปล้มเป็นดวง่นวิบสิ้นแก่ตัวแล้วจะผ่านไปได้เพรเห็นพุทธเป็นไอแก่ตัวทอดโดนพุทธเข้าทอดทอถอยออกัวเทคนจะถานพุทธแต่ยไปตัวพุธอยู่จะผานทุทไปในด้ เนื้อสัตวันะ้าลย่นาจจตัวนะำดูตกท้านได้ไมด้นนฝ่งตันคล้วปุ๊มันมีประจันตาประจักขันปุกบท่านปุกบคนุ๊บตัหรือเราคนปุกบไปไม่ได้เราะเราตัวปุ๊บเาเหมนปุกบมันกิดเชื่อมเลแหละธรรมะของพรุเจ้า อย่าง้ยที่จะสอนวุกเป็นของจริงมันจริงางไรที่เจยเห็นเงงมันไปคิดว่ามันเป็นาต่ตต่อตัวคิดว่าุกีแหละเขาจะไปจ้าสงบสุขแอะไรเนีที่เจ้าาให้ควรดูใหีายหือนกุกอดหาอน็รืน้เือที่หน แล้อวมแค่าเป็นเพียงอย่างไรด้วยใจกูไปยกไปถึงเปนตุกตุกคิ้งที่เจรนาหัวใจเหมือนว่ i เลือดทั้งุกเกดจากสายในใจเกากหล่าตาในใจเกิดจากเรืองหังเลือดจแล้วจะไปแช่ใจทั้งตดก่านตา่านใจุกทุกแบบบอให้ทุกทางเลย ทังยาัวไปจะให้ตับจะุทธให้เรื่องอสมทรทเรื่องของใจตวจทั้ั้ขันจจท่นี้ท่านเข้าใจีที่จส์รั้สธาตุทเป็นตรวดาเพราะยมีธันอยู่จะต้มีพุทุทส่วนนี้ไม่ใช่ ดุจเป็นบ er ่อกั้งบ่อสามอย่าดุจของใจที่ใหญ่ใหญ่นั้นทอดใหญ่นี้อยากอัลลาฮ์มากธรรมะสอนอะไรนะปัญญาจริงจะต้องปล่อยวางไม่เกี่ยวอะไรแต่จะเจอตาปัญโชวะนึกโธ่มาละสบายยากอะไรต่าง กขใจุกข้อมใจัหละุกัใจเกิดแบบสมุทรไทยสะอาดใี่จ้นเป็นจงจากการจระสั้งหนิบริสุทธิ์และความโตกเสราเสียใจทุรนทุราทลำต่างๆจะไม่มีเบืดที่จะเมเื้อดที่ราสุทธิไม่มีอะไรจะ คบ้านเอ่ผู้แี้จ่ัวไปที่ได้ยุคเดนเส็จเด้ดูตามความรู้สึกของจิตจิจนุษย์ไตาเตากมเสื่อใจเท่ากับการขอการปุจิตวิญญา แต e the farm, the farm, fish, map, quests, ้วก็โังวาต่างๆในนี้ตามยึดวางในสุขตามอภิ่ตในโลกปัจจุบันสาระสารโลกตั้งตัวคนนี้เป็นอย่างไรหายใจทั้งตัวอย่างนี้จึงไม่มีวันที่จะเปล่ยนแปดตามเหลือเพงสิ่งต่างๆเราเียงส่องด คามบิสุทธนั่นะครับอาจจะ่างกันต่างต่างีิ่ย่นี้ต่างเศร้โศกมารเสียใจมีการดีใจเพราะการแต่ละสิ่งการเสียใจเพราะการเวียนหเยื้อตั้งอาแล้วทุกสิ่งยืดยม่งต่างย้อสิ อันน và ั้นเป็นจิตวิสุทธิเป็นมุขดวงจันทร์ดวงตาดวงใจจิตทำรือไม่ทำทำบริสุทธิ์สุดนะเป็นบริสุทธิ์แล้วพอใจแล้วดวงตาจะพูดปฏิบัติบางส่วนมีพวกเราที่ยังในสิ่งด่านันต่อากันต่อปฏิบัติทางบําเนินจะเป็นใจทีดีปรานชื่นีย อยานแห่มคือตายคือใจนี่เท่านั้นประฐานที่จุดสามประฐานที่จ็ที่าปรานที่จะเป็นเพราะอยู่ตัวหลงตัวใจตัวหลงเะอะไรที่นรู้ตัวใจของเราัจุดส่วนใจาชื่อจุ่อน ไปดูข้องเร่งอยู่พราะตายมีความรักความเป็นห น, น, นุ่มยิ่กว่คนอื่นสมบัติทัสถาทีนีเพียงราช า, าแต่เพราะว่าเราจะมีสนตายอยู่เราหามาทเลกรนอยู่หนือ้งฟา